ความถาวรของโลกทิพย์บัดนี้ข้าพเจ้าจะขอให้ท่านพิจารณาดูสภาวะของโลกทิพย์เกี่ยวกับเรื่องและสิ่งต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเพื่อเทียบกับโลกมนุษย์ดูเพื่อจะได้แนวคิดว่าโลกทิพย์ควรจะมีสภาพเป็นอย่างไรสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงอันเป็นคุณสมบัติของโลกทิพย์โดยเฉพาะนั้นก็คือความเที่ยงถาวรนี้เอง สำหรับในเรื่องนี้ดูคำอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมจากอาจารย์พรท้ายบทนะครับลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจอ ย, ย่างบอกไม่ถูกอยู่ตลอดเวลาเรื่องแรกทีเดียวก็คือร่างกายของเราเองซึ่งเป็นร่างกายที่ไม่มีวันเปื่อยเน่าสิ่งที่เปื่อยเน่าคือกายเนื้อของเรานั้นเราได้ทิ้งมันไว้เบื้องหลังแล้วและบัดนี้เราจึงเหลืออยู่แต่ธาตุแท้ของเราคือร่างที่ไม่เปื่อยเน่า เราไม่แก่และข้อสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเราจะกลับเป็นหนุ่มหรือสาวขึ้นทุกทีถ้าเราจากโลกมนุษย์มาในตอนที่เรามีวัยชราแล้วความจริงเช่นว่านี้มิใช่จะเป็นสิ่งที่น่าพึงยินดีอย่างยิ่งหรอกหรือนอกจากนั้นเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มอยู่ก็ไม่มีวันเก่าหรือเปื่อยขาดบ้านที่เราอาศัยก็ไม่รู้จักสุดโมหรือผุพัง ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าในโลกทิพนี้ก็ยังไม่เคยได้ทำการซ่อมแซมอย่างใดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านหรือเครื่องเรือในบ้านก็ตามจริงอยู่ข้าพเจ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่ในบางแห่งบ้างซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านทั้งหลายอื่นๆในโลกนี้แต่นั่นก็เป็นเพราะเราต้องการเปลี่ยนมันไปเพื่อให้เกิดความสาราญใหม่ๆแก่ตัวเราเองบ้างหรือไม่ก็เพื่อมิตรสายของเราบ้างเท่านั้น หาได้เปลี่ยนเพราะมันเกิดความสุดโทมหรือคล่ำค่าอย่างใดไม่อาคารอันใหญ่โตมโหฬารของโลกทิพนี้ก็คงแลดูใหม่และสดใสเหมือนเมื่อวันที่สร้างเสร็จอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะล่วงเป็นนานสักเท่าใดก็ตามท่านลองคิดดูทีหรือว่าในเมื่ออาคารเหล่านั้นหลายต่อหลายหลังได้สร้างมานับเป็นเวลาหลายพันปีแล้วแต่มันก็ยังไม่มีร่องรอยเห็นความสุดโทมคล่ำคล่า หรือความสกปรกจากฟุลละอองแม้แต่เท่าปลายนิ้่ก้อยเช่นนี้ท่านพอจะคิดเปรียบเทียบดูได้หรื อ, อยังว่าเมื่อเทียบกันกับโลกมนุษย์แล้วโลกทิพนี้มีความเที่ยงแท้ถาวรเพียงใดข้อความเท่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเลิ่เกินเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเที่ยงแท้ถาวรในโลกของเรา เราอาจจะยังพิสูจน์ให้เห็นไม่ได้ก็จริงว่าโลกทิพนี้จะเป็นไปและมีอยู่เช่นนี้ตลอดอ น, นันตการแต่เราก็มีประจักษ์พยานรอบตัวมากมายว่ามันจะต้องเป็นเช่นนั้นและข้าพเจ้าก็ขอรับรองกับท่านว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราอุ่นใจสุขใจและภูมิใจอย่างยิ่ง คำอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุข้อที 8. ่8ผู้ที่คุ้นเคยกับหลักไตรลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเมืม่อมาได้อ่านพบข้อความในหนังสือโลกทิพย์ตอนนี้ก็อาจจะเกิด ป, ปฏิกิริยาและลงความเห็นว่าข้อความในโลกทิพย์ที่กล่าวมานี้ไม่เป็นความจริงหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าสังขารคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงยอมไม่เที่ยง คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักอันนี้เป็นหลักที่เห็นได้ง่ายเป็นหลักที่ไม่มีข้อยกเว้นเพราะแม้แต่พระอนาคามีซึ่งมีอายุยืนนับเป็นกับกับก็ยังมีเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายความว่าเมื่อท่านอยู่ไปนา น, น, านท่านก็จะได้เป็นพระอระหันต์และปรินิพพานในโลกนั้นไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่าพระอนาคามีมาก ฉนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ตามที่ท่านกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในภูมิของท่านหรือสิ่งที่ท่านเคยเห็นมานั้นจะเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรตลอดอนันตการแต่อย่างไรก็ดีการที่ท่านกล่าวเช่นนี้ก็เพราะอาศัยแรงดันแห่งความปีติสมนนสที่เกิดจากการที่ท่านรู้ดีว่าสภาพในโลกทิพ์ที่ท่านเห็นอยู่มีความยั่งยืนถาวรยิ่งกว่าโลกมนุษย์มากมาย และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ร่างกายกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเรื่องนุ่งห่มและที่อยู่ก็ไม่มีวันเก่าคร่ามค่าไม่ว่าเวลาจะล่วงไปนานแสนานานในเมื่อเทียบกับเวลาของโลกมนุษย์ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านมีปิติมากเพราะเหตุที่ในขณะนั้นท่านมีความรู้สึกเปรียบเทียบเช่นนี้จึงได้พูดว่าโลกทิพย์จะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดอ น, นันตการข้าพเจ้าเชื่อว่าถึงแม้ท่านเอง ท่านก็ยอมจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกทิพนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้เราะถับเปลี่ยนแปลงไม่ได้การเลื่อนไปอยู่ภูมิสูงตามที่ท่านกล่าวอยู่เสมอนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าใครที่จะขอร้องว่าผู้ที่อ่านหนังสือโลกทิพย์อย่าคิดแต่ในแง่ที่จะคอยจับผิดหรือมีความรู้สึกวัยเกินไปและเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับความเชื่อของตนก็อยากพึ่งปฏิเสธทันที และลงความเห็นไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องจริง